ตอนนี้ไปถ้ากันตั้งใจตั้งใจภาวนาคือตั้งใจกำหนดจิตของตัวเองเแต่และแต่ละคนแต่ละท่านเพราะควรมสงบเป็นฐานสำหรับรองรับ แห่งการกำหนดจิตเมื่อเรากำหนดจิตให้ถูกต้องตามระเบียบแห่งสำนองของธรรมจิตก็จะได้รับความสงบตามสมควรในฐานะของตัวเองเพราะฉะนั้น การกำหนดจิตนะในเรื่องของการภาวนานะมันเป็นของจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดก็คือการรักษานะ่นะรักษาให้มันอยู่ภายในเนะนะี่ยที่ว่ารักษากจิตที่ว่ากำหนดจิต แม้แต่ความสงบมันก็ไม่ได้ไปสงบนอกากภายในถ้าสงบข้างนอกมันก็หาความหมายอะไรไม่ได้มันความสงบข้างนอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ถูกเพราะไม่มีฐานที่ตั้ง ฐานที่าังของจิตน่ะะมันอยู่ภายในคืออยู่ในทํากลา ง, างในส่วนสกลร่างกายของเรานี่นะแต่เราหมายเอาภายในคือส่วนร่างกายของเราน่ะคือทํากลางหน้าอกตั้งแต่หน้าอกลงไปเนี่ยดี๋ยวลำคอลงไปน่ะจนถึงเสื้อนี่น่ะ เรียกว่าเป็นรรมเป็นถ้มกลางหน้า อ, อกมันจะสงบเงดอยู่ตรงไหนเราก็คอยสังเกตเอาว่ามันสงบจริงหรือไม่จริงเราทำเพื่อความแจ้งเมื่อสงบแล้ ว, งงลวนะผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไงเราคอยเอาผลอย่าไป กังวลกับความสงบอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือมันสงบอยู่ภายในนะ่ะเราเอาใครเอาความสงบที่มันเกิดขึ้นรักษาความสงบนั้นให้มันแน่นอนนี่วิธีการที่มันจะต้องให้มันสงบที่มันสำคัญอยู่ว่าก่อนที่มันจะสงบนี่ฮนะ เปนสำคัญในตรงนี้นะเพราะจะไหมนี่นะมันมีเรื่องสาหรับที่จะลบกวนความสงบอยู่เสมอเรื่องที่ไม่น่ามีมันก็มีเรื่องที่ไม่น่าเป็นมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงแห่งการสมมติมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ ตามจังหวะตามยุคและตามสมัยมันเป็นเหตุที่จะทำให้ใจของเรานั้นวุ่นเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราพงซ่าเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราเกิดความลำคาญเป็นสาเหตุที่ให้ใจของเราเกิด ค, ความเร่ร้อนมันสารพัด ที่มันไม่อยากคิดแต่มันก็จําเป็นก็ต้องคิดเพราะปัญหาเรื่องคิดอยู่แล้วถึงไม่มีเรื่องมันก็สร้างสร้างเรื่องขึ้นมาในตัวเองสร้างเรื่องที่จะให้คิดถ้ามันคิดขึ้นมาล่ะที่อันความสงบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้แล้ว มันมีแต่ความผุ้งซ่านมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีแต่ความร้อนใจแสละพัดจีบถาที่มันจะมีอยู่ในตัวของเขาตัวของเขาก็ในตัวจิตนั่นแ่ะสาเหตุมันมันมาจากไหนอ่ะ สาเหตุมันก็มาจากปัจจัยคือกิเลสนั่นเป็นต้นเหตุตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนตราบใดที่เรายังเป็นสามัญชนที่กิเลสมันยังมีอยู่สภาพแห่งความคิดนะ มันเป็นของที่ประจำตัวของเขามาตั้งแต่เด็กดํบบันมันก็ไม่ใช่มาเฉพาะแต่ชาตินี้ชาติเดียวชาติไหนๆที่มันเป็นมานะ่มันก็มีไม้อยู่ภายในตัวของเขานี่ยเฉพาะปัจจัยมันมีคือกิเลสนนะ มันเป็นต้นเหตุมันกิเลสมันเป็นต้นเหตุเหรอสภาพแห่งความคิดเหรอมันต้องมีเมื่อมันมีอย่างนี้เหรอที่นี่เราต้องการความสุขเหรอต้องการความสุขทีนี่อันสุขที่จะเกิดขึ้น จากความคิดเนะี่ยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไรเมื่อรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเรายังมองหาไม่เห็นนี่แต่ความคิดความคิดเนี่ยมันก็อยากได้ดีน่ยนะมันก็คิดหาความดีนี่นะ แต่ความดีในความคิดน่ยมันไม่รู้วันเดู่ตรงไหนเมันเลยหาไม่เจอเมื่อหาไม่เจอหรอก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นะสาเหตุที่มันไปทุกข์กันดทุกวันเพราะเรามันมีสาเหตุกันทุกคนมีต้นเหตุกันทุกคนก็เนื่องมาจากกิเลสนี่นนะ กิเลสมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็มีอยู่สามมีความโลคมีความโกรธมีความลงอันนี้เป็นต้นเป็นต้นเดิมอยู่แล้วนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะทุนเก่าของเขาเมื่อไรเขาจะจากกันเมื่อไรเขาจะเลิกจากกันก็มันไม่มีวันที่จะเลิกไม่มีวันที่จะจาก นีแต่ตามมาต่อพุทธต่อคือและมันก็จะตามไปอีกไม่รู้จะตามกันไปถึงไหนจะให้มันหมดไปเฉยเฉยด้วยอำนาจแห่งความคิดเนะี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจานะ้าจึงได้บัญญัติธรรมมากขึ้นมานะเพื่อจะชำระล้งล า, งลางกันนั่นแหละ ก็คือการภาวนาเนี่ยภาวนาว่าก็มีอยู่สองสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนานก็มีอยู่สองอย่างที่นี่อันดับแรกเนี่ยเราที่จะระงับความคิดอันที่มันคิดไปต่างๆนานาประการนั่น เราจะลองอับมันได้ก็ด้วยสมถะสมถะภาวนาก็คือเรากำลังกำหนดจิตอยู่และกำลังทำกันอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าสมถะคือมันเป็นอุบายสำหรับที่จะทำให้ใจของเราสงบที่นี่อุบายที่จะทำให้ใจสงบกันมันก็ไม่มีอะไรมาก เวลามันจะสงบมันก็สง บ, ส ง, บง่ายๆถ้ามันไม่สงบเนี่ยมันก็ายากเพราะมันไม่สงบคือการที่เรากำหนดเนี่ยเรากำหนดตรงไห น, นล่ะก็เคยก็ทำและภาวนากันมาอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ก็ไปก็ไม่ได้ไปกำหนดอะไรที่ไห น, นล่ะ คือกำหนดในตัวเองนั่นแะของที่มีในมีในตัวเองนั่นแ่ะของมีในตัวเองน่นมันคืออะไรนะก็ลมนั่นละลมหายใจเข้าอ ม, มหายใจออกน่นแะเราจะบริกรรมมาหายใจเข้าว่าพุทธแล้วออกโทก็ได้หรือว่าเราจะไม่บริกรรมก็ได้มีแต่เพ่งเอาก็ได้เพ่งลม กำหนดลมเข้าไปก็ได้แต่เราไม่ใช่ว่าจะทำอย่างนี้ตลอดไปเวลาสงบแล้วเราจะไม่รู้จะไม่เอาก็ไม่ไดไ้เราจะบริกรรมอะไรเราก็หวังเพื่อความสงบเราจะกาหนดอะไรก็หวังเพื่อความสงบหมังความสงบอย่างเดียวที่นี้เราก็กาหนด ลมเนาะนะเมื่อกําหนดลมเนะ่ะเมื่อจิตมันจะสงบเพราะลมเนะ่ะเราก็ตามความสงบไม่ใช่ว่าเราจะมาตามลมอยู่ตลอดและไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่กับลมตลอดเราต้องการความสงบจากการที่เรากําหนดลมหายใจเข้าออกนั้น หรือเราจะบริกรรมหายใจเข้าพุทออกโทนเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วเราก็จะต้องตามความสงบไม่ต้องตามคำบริกรรมคำบริกรรมนั้นมันเป็นแต่เพียงว่าเรานำมาเพื่อนึกเพื่อบริกรรมเพื่อว่าอยู่ภายในเพื่ออะไร ก็เพื่อความสงบหน่อเพื่อให้เขาเกิดความสงบเมื่อเขาเกิด ค, ความสงบแล้วนะเราก็ต้องตามความสงบไม่ต้องตามคาบริกรรมจะบริกรรมอะไรก็ตามคือใช่ได้แต่ขอสำคัญขอให้มันเปความสงบเราต้องการความสงบจากการที่เรากระทำนั้น อยาที่เรากำหนดนั้นเมื่อสงบไปแล้วนะเราดูผลแห่งความสงบน่นมันจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุและผลอันที่มันจะเกิดขึ้นจากความสงบนั้นผลมัน ม, อมนนอีอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นเราคอยสังเกตตรงนั้น เมื่มันเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากความสงบนั่นเราก็จะได้เข้าใจในความสงบนั้นมันให้ผลแก่เราผู้ที่ก็ทำให้มันสงบแล้วความสงบนั้นมันเกิดขึ้นเลยผลงานอันที่มันเป็นมาในตัวของเขาเองนั้นเราจะต้องเข้าใจตรงนั้นสิ เราจะมาเอาแต่คำบริกรรมหรือเอาแต่กําหนดแต่เมื่อเวลามันสงบหรือแต่เราไม่เอาความสงบหรือที่นี่ผลของความสงบมันอยู่ตรงไหนเน่ะผลของการภาวนามันอยู่ตรงไหนเมื่อจิตมันมีความสงบดีแล้วนะสงบครั้งหรือสองครั้ง ก็อย่าเพิ่งว่ามันสงบเพราะมันเป็นโลกิยะโลกิยากิจหรือว่าเป็นโลกิยาสมาธิหรือเป็นโลกิย ะ, เ ป, ยะเป็นวิสัยของโลกล้วก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันอย่าไปตายใจมันมันยังเป็นของไม่แน่ ก็ให้มันแน่นอนให้มันเกิดมักเกิดผลขึ้นมาบางสิ่งนะก็มักผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามันก็ยังมีอยู่อีกมันไม่ใช่มีแต่เพียงเท่านั้นนะไม่ใช่มีแตเพียงว่าแค่ความสงบแล้วก็จะแล้วไปมันไม่ใช่นะคนของความสงบมันมากมายเหลือที่จะพัฒ น, นาน้ำนะขอให้มันสงบเท่านั้นนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวของเขานั้น ความดีมันเป็นยังไงความไม่ดีมันเป็นยังไงกี้เหลวมันเป็นตัวยังไงตัวของกี้เหลวมันเป็นยังไงตัวโลบมันเป็นยังไงตัวโกรธมันเป็นยังไงตัวหลงเป็นยังไงตัวอวิชชาตัวตัณหาตัวมานะตัวทิฐิมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้กันบ้างสิ นี่ก็มาเอาแต่ชื่อชื่อของกิเลสมาว่าใครก็ว่าได้ใครก็รู้ได้นะชื่อของกิเลสนะแต่ตัวกิเลสจริงๆนั่นนะนะอันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดทุกขนะ์อันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความล้ำสันพน า, าอะไรต่างๆซึ่งมันมีความคิดในตัวของเขาอยู่นั่นนะ มันมากลเลยไ้กิเลสนั้นมันเป็นต้นเหตุเราก็จะได้เข้าไปรู้เขาบ้างสิให้รู้เพียงเพียงความชิดอ่ะมันยังไม่ใช่นะต้องให้มันรู้เกิดจากความสงบตั้งมันเป็นสมาธิลองดูซิสมาธิเนี่ยมันก็มีอยู่สองนั่นหนละ โลกิยาสมาธินี่หนะึ่งโลกุตละสมาธินั่นหนะึ่งโลกิยาสมาธิก็คือสมาธิธรรมดาที่เราสามัญชนที่เราเป็นกันอยู่นั่นนะ่ะนี่มันเป็นวิสัยของโลกมันยังไม่ขาดมันเป็นแต่เพียงว่าความสงบนั้นนะ่ะมันเข้าไประงับระงับเหตุ ในชั่วครั้งชั่วค า, าวมันไม่ใช่ว่าระงับตลอดไปมันเป็นของที่ว่าหาความแน่นอนไม่ได้มันยังเป็นอนิจจังอยู่สมาธิมันยังเป็นอนิจนนนจังอยู่มันยังไม่แน่นอนอารมณ์อื่นมันยังสามารถที่จะเข้ามาชำระทำลายความสงบของเราอยู่นี่มันเป็นโลกียะ โลกยาสมาธิสมา ธ, มาธิมันยังไม่แน่นอนคือจิตของเรามันยังไม่แน่นอนมันยังสัมพันธ์อยู่กับโลกโลกมันยังสัมพันธ์อยู่กับจิตจิตมันก็สัมพันธ์อยู่กับโลกเลยเอาแน่นอนแห่งความสงบไม่ได้คือจะตัดขาดจากกันไม่ได้จะขาดจากกิเลส มันก็ขาดไม่ได้มันยังพวัวพันกันอยู่มันยังเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นคือกันอยู่นี่เ็าเรียกว่ามันยังอยู่ด้วยกันที่มันอยู่ด้วยกันนั่นจึงเรียกว่าโลกียโลเกียสมาธิแต่อาศัยโลเกียสมาธินั่นแหละเป็นฐานเป็นฐานรองรับ เพื่อจะรับโลกุตละโลกุตละสมาธิโลกุตละสมาธินะี่เป็นสมาธิของพระพระอริยะคือผู้ที่ละกิเลสได้แล้วนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนตลอดถึงพระอารหันต์เป็นโลกุตละสมาธิ คือเป็นสมาธิของท่านที่แน่วแน่ไม่มีการแปรผันเป็นหนทางอันเดียวไม่ได้เป็นไม่เป็นทางสองแง่เหมือนกับโรกิยาสมาธิเป็นหนทางอันเดียวเหมือนพระพุทธเจา้าที่พระองค์ไปทรงสอนแจกปัญจวคีทังหานะพอสอนจบรรมเทศชนา เรียกว่าผสมอเทเนาทรมาจากกบประวัติจสนตร์สุดพระัญญากรธัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้มรุโสดาบันในขณะนั้นสมาธิของท่านก็แน่วแน่ขาดจากสังโยษสาม ดูสักกยายสิทิและวิธีคิศรรจศาสตรลศีลพจน์บาลามาต่จ <c oughs> ะทำให้จิตของท่านแน่นอนขึ้นนะนั่นเป็นทางอันเดียวเป็นทางเส้นเดียวเป็นอริยมรรคแล้วจะเข้าไปสู่ผลอริยมรรคอริยผลไปโดยลำดำับส ก, กิกค า, ามรรคาน า, ามรรค ลหัตถมับแล้วก็ลหัตถผลเป็นสุดท้าย น, ะนั่นเป็นโลกุตระสมาธิที่นี่พวกเรานะ่ยยังเป็นสามั ญ, ญชนคือคนสามัญธรรมดายอยู่สมาธิของเราก็หาขากันได้บ้างการสงวรแจฐานะ ของความเป็นอยู่แห่งความเป็นมนุษย์ของเราเนะ่ะที่เราปฏิบัติทำมาข้ามีบ้างแต่ก็ยังหาความแน่นอนยังไม่ได้มันยังมีการพิกพลิกผันและแปลผันไปตามเหตุตามการตามสมัยบางอย่างมันได้อยู่เรื่องราวที่ต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรง แล้วมันไม่สามารถที่จะต้านทานและต่อต้านไว้ได้นะมันยังมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพขึ้นมาได้เปลี่ยนจิตขึ้นมาได้อำ น, นาจของกิเลสก็เลยกลับกลายมาเป็นเจ้าของอยู่แทนที่จะชนะเขาบ้าง มันก็กลายมาเป็นการแพ้แพ้กับแพ้กิเลสเราคิดให้ดีนะเพราะอำนาจของกิเลสมันแรงแรงขนาดไหนล่ะพูดอำนาจของกิเลสมันแรงขนาดไหนแล้วจะมีอะไรเราเปรียบเทียบอะอะไรจะไปเสมออำนาจของกิเลส ก็คิดดูสิพวกเราแต่และคนละคนนะะที่เกิดมานะ่ยเรื่อำนาจของกิเลสนนะที่เกิดมานี่มันเกิดมากี่ครั้งลนะ่ะเกิดมาแล้วกี่ชาติแนละ้วเกิดมาแล้วกี่พแลนะ้วเกิดมาแล้วกี่กันลนะ่ะนับเป็นกับกับกันกันตอนนั้นก็ยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ที่นี่อำนาจของกิเลสเขาน่ะมันแรงขนาดไหนที่นี่เกิดมาแล้วมันเป็นยังไงอยู่เฉยๆได้ไหมล่ะเกิดมาแล้วอยู่เฉยได้ไหมใครเราอยู่เฉยได้มันอยู่เฉยไม่ได้แทนที่จะอยู่แบบสบายๆมันก็กอยู่ไม่ได้แต่มันก็หาสิ่งที่จะต้องให้ทำ คิดว่าทำแล้วมันจะต้องสบายเนะี่ยทำแล้วก็เป็นทุกข์อีกไม่ทำมันก็เป็นทุกข์อีกทำแล้วก็ลำบากอกีกไม่ทำมันก็ลำบากอกีกทำแล้วมันก็ยากไม่ทามันก็ยากทีนี้จะเอาอยัางไงดีเพราะความเกิดก็ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องทำ แต่เราจะหาความสุขในการกระทํานั้นนะสุขโดยปราศจากอามิต h เนี่ยมันอยู่ตรงไห น, นล่ะมันก็เป็นไปไม่ได้จะหาความสุขชั่วขณะจิตมันก็ยังยากถึงจะสุขก็เป็นแต่เพียงว่าสุขเอาด้วยอามิต h เรียกว่าอามิต h จะสุขซะนะ ด้วยความดีใจในสิ่งที่เราได้มา แ, นะแต่สิ่งที่ได้มาแล้วก็มีการพัดพาจากของเราของจอมใจทั้งสิ้นไปมันก็กลายเป็นทุกข์อีกแล้วที่นี่แปลความสุขที่ไหนในความเกิดแต่มันจำเป็นเพราะมันเกิดมาแล้วมันจาเป็น แต่พระพนะุทธเจ้าเนี่นะท่านให้พิจารณาหาเหตุเลยคลนะพระองค์ได้พ้นแล้วนะท่านก็จึงวางคำสอนเอาไว้ให้เราทำตามนะนะก็เพื่อจะได้หนีน่นะกะน็หนีจากกิเลสเนะนี่นะก็หนีจากเหตุแห่งทุกข์เนี่นะแต่คือพวกกันหานะ ก็พวกตัญหาเนี่นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่ทีนี้เราจะทํำยังไงเนาะเราจะชนะมันได้ตัญหาก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดเกิดซึ่งความทุกข์ความทุกข์มันก็เกิดจากความทะเยอทยานความทะเยอทะยานมันก็มาหาความโลภไปละมันได้อย่างใจชอบมันก็โกดินละ แล้วมันก็มีความหลงนีกนะหลงก็สนับสนอนอีกนะ <c oughs> <c oughs> มันก็วนกันอยู่อย่างนี้นะมันเป็นกิเลสวัดคือมันเป็นวัฏจักรมันวนเวียนกันอยู่นี่นะเราพิจารณาให้ดีนะถ้าเราจะเอา ก่อนที่เราจะเอาได้เนี่ยดำเนินความสงบนั้นให้มันได้ซะก่อนนะเดี๋ยวนี้มันความสงบมันไม่มีนะถึงเราจะฟังอยู่อย่างนี้นะให้เรากำหนดจิตของเราไปตามมันจะได้ยินก็าตามไม่ได้ยินก็าตามแต่ถ้าจิตของเรามีความสงบเลยนะ นับว่ามันเป็นยอดยอดของการฟัง เ, เพราะเรามีความสงบในการฟังในขณะที่ฟังเราก็เอาความสงบนั้นเน <c oughs> พราะเราไม่ได้เอาอะไร เ, เพราะความสงบนั้นล่ะ <c oughs> จะเข้าไปเป็นฐานที่ต้องที่จะเข้าไปยึดที่มัดของเขาเ ถ้าเราไม่มีความสงบเนี่ยมันยากนะพิจารณาดูให้ดีนะรู้กันทุกคนนะธรรมะนะใครเราไม่รู้นะ่ะรู้กันตรงนั้นแนะ่ะแต่สำหรับที่จะเอาชนะพวกมานนะ่ะกิเลสมานนะ่ะ ความรู้นั่นจะเอามาชนะมันได้ไหมเอามาสู้มันได้ไหม <c oughs> มันก็ไม่ได้อีกแหละถ้าไม่เอาความสงบเข้าไปเป็นฐานที่ตั้งเนาะ <c oughs> เพื่อจะต่อสู้กับกิเลสขั้งแรกกับกิเลสในส่วนหยาดนี่ยนะ พวกโลภพวกโกรธพวกหลงส่วนยำยำเนี่ ย, ยมันมีเมื่อก่อนเลยที่นี่เราจะเอาชนะพวกนี้ <c oughs> ชนะด้วยนี้ด้วยความสงบที่นี้อันความสงบมันจะเกิดขึ้นได้นะได้โดยวิธีไหนะก็โดยสมถภาวนา เมือนเรากําลังกําหนดอยู่นี่นะ่ะก็กําหนดเข้าไปสิอย่ามาสนสิอย่ามาสนของภายนอกสิถ้ามันมันจะเป็นไปได้นะแต่พอมันจะเป็นได้นะ่ะเราก็เอาให้มันให้มันเป็นไปเลยคืออย่าไปรอวันรอคืนอย่าไปให้มันเสียเวลาชีวิตคิดว่า <c oughs> คิดว่ามันเป็นภาวนาต่างภาวนานั้นจะทำงานไม่ได้เราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นถึงมันสงบเท่าไหร่การงานของเราก็ยิ่งดีเท่านั้นทั้งเหตุและผลมันเป็นไปในทางสุขเหตุมันก็เป็นเหตุให้เกิดสุขผลมันก็ผล ก, ผลก็คือความสุข ถ้าจิตของเรามีความสงบแล้วนะถ้าเราทำงานได้แล้วแล้วถ้าเราทำงานถ้ามันสงบแล้วแล้วมันก็ทำงานได้ดีอย่าไปคิดว่า <c oughs> มันสงบแล้วงานการมันจะไม่ได้อะไรจะทำงานไม่ได้ก็อย่าไปคิดร้องให้มันสงบดูสิ สงบทำมันแน่นอนแต่แม้ความสงบเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ยังเป็นเหตุให้เรามีความสบายหนักในหน้าที่การงานของเราอยู่ในความเป็นอยู่ของเรานะถ้ามันไม่สงบเนี่ยมันเป็นทุกข์เลยแค่ไนหะทุกข์เพราะความไม่สงบเนี่ยมันทุกข์จริงๆ มันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันอ่มันปวดปวดร้าวไปหมดมันลำบากไปหมดไม่รู้บ่กความดีที่ไหนจะมาสนองตอบมันมันจะไปสนองตอบกันตรงไหนนั่นก็ไม่รู้มันแต่มันก็หาคิดมันหนักวุ่นวายในตัวเองน่ะเกิดความลำคันเกิดความร้อร้อนเกิดความโศกเศร้าเกิดความเศร้าหมองเกิดความมัวหมองในตัวเองนั่นอ่ะ มันเป็นในตัวของมันนั่ะมันต้องเป็นทุกข์ของมันน่ะนี่เวลามันไม่สงบมันเป็นอย่างนั้นนะจิตที่ไม่เป็นที่จิตที่ไม่สงบนะทั้งที่เราต้องการความสุขนั่นน่ะแต่มันก็มีแต่ความทุกข์เกิดมันก็ไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงกับมันนี่ละเพราะมันเป็นอย่างนั้น เพราะอะไรเพราะมันขาดขาดจากฐานเนี่ยฐานจี่ตั้งแห่งความสงบพอมันนิกที่ตั้งแห่งความสงบลองดูสิเหรอสิ่งที่มันเต็นมาน่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีทางแก้กันไหมมันจะแก้กันได้ไหม ก็ลองเอาสิอันนี้น <c oughs> เราเนี่จะปล่อยนี่จะปล่อยจิตกับจิตก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรละ่ะจิตของเราที่จะมีความสงบละ่ะนี่จะปล่อยเขา แล้วก็ไม่รู้จกรักษาจิตของตัวเองจะใช้ความเพียรของตัวเองนั้นนะ่ะมารักษาตัวเองก็ยังไม่ได้ประหาหน้าประทานเพียรละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปและสิ้นไป นี่ภาหารประธานคือตัดตัดบากตัดกรรมตัวเองที่มันเกิดขึ้นแล้วที่มันมีมาแล้วนะให้มันหมดไปและสิ้นไปนะสังวรประธานเพียนเล่าวางไม่ให้บาปที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดแล้วก็จะชละักที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดขึ้นภาวนาประธาน เพียนยังกุศล น, นั่นให้เกิดขึ้ น, นกุศลใดที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็อนุรักษคณาปะทานก็เพียนรักษารักษากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าให้มันเสื่อมสูนไป เราก็ใช้ความเพียรบางสิความเพียร น, นั้นไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้แต่ว่าภายนอกนะความเพียร น, นั้นมันอยู่ภายในเพียรละบาตรตัวเช่นะบาต ท, ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะบาตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะก็เพราะกิเลสทั้งสาม คือความโลภความโกรธความหลงนั่นแล้วก็เพียนละเพียนละความโลภความโกรธความหลงอย่าไปทำตามอานาจของความโลภความโกรธความหลงจนเกินไปจนให้มันเป็นบาปเราก็เพียนพยายามรักษายามันเกิดสิมีเรียกว่าปหานประทาน เพียนระบาดอันนี้มันเป็นความเพียนอยู่ภายในเนี่ยมันแก้ไขของมันอยู่ในตัวเองนั้นนหละโดยอัตโนมัติแต่ก็ต้องเนื่องมาจากความสงบเหมือนกันถ้าขาดความสงบแล้วนะ่ยความเพียนเท่าไรก็ตาม มันจะคิดมาในทางดีนะั่นทางไม่ดีนะั่นมันสวยโอกาสมันมาลบล้างทันทีเนะี่ยลบล้างความดีนะั่นก็ลอ ง, งที่สังเกตุที่สังเกตจิตตัวเองนะอยา่าไปพูดแต่ ต, ตำราอย่างเดียวนะอันนี้ให้สังเกตจิตตัวเองนะ เราจะพยายามปรับปรุงจิตของเราให้ดีนะแต่มันมีเรื่องไม่ดีพักสอดแทรกเข้ามาจานมามันหลงไปหมดแทนที่ว่ามันจะคิดเกิดจะพินธ ร, รมะ ใ, ในทางที่เป็นสารประโยชน์ของตัวเองมันไม่มีเลยมันเอาแต่เรื่องไร้สาระ เข้ามาคลองไปหมดตัวของตัวเองก็เลยไม่เป็นตัวเองแต่นี่เกิด ค, ความยุ่งยากลาบากขึ้นมาในตัวเองอีกละนี่มันขาดขาดฐานที่ตั้งนะขาดฐานแห่งความสงบนะรู้ทั้งรู้นี่แหละธรรมะก็ทั้งธรรมะนี่แหละเราก็รู้กันมา้นั่นละ แต่พูดมันพูดได้ได้เฉพาะแต่สิ่งที่มันพูดอยู่นั่นนะ่ะสิ่งที่มันลอยไปอีกเ่ยมันก็ไม่มีอีกเนี่นี่มันขาดความสงบนะถ้าความสงบมันเพียบพร้อมเ่เราจะพิจารณาอะไรเนะี่ย มันพิจารณาได้นะถึงไม่พิจารณามันก็ไม่มนีจิตมันอยู่เป็นปกติเรียกว่าปกติจิตเ <c oughs> พราะมันมีความสงบในตัวจนะยกธรรมะหมดไหนยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์มันก็ยกขึ้นได้ แล้วเอาไปตั้งในสติประฐานติก็ตั้งได้คือตั้งไวาในกายกังตาสติก็คือตั้งไวาในกายเนี่ยนะเอาสติตั้งไว้ในกายมันก็อยู่นั้นแหละก็ใจมันก็อยู่ก็สติติเออสติมันก็อยู่ก็กายมันก็อยู่ด้วยกันในตเวทนา ถ้ามันไม่มีกายล่ะมันจะมีเวทนาไหมจิตล่ะจิตมันก็มาอาศัยร่างกายไม่ใช่หรือร่างกายก็อาศัยจิตมันก็จึงอยู่กันได้ทำรรจะเป็นอกุศลทำก็าตามเป็นกุศลทมก็าตามสิ่งที่ดำรงอยู่ล่ะ โดยสภาพความเป็นธรรมเนาะความเป็นมนมนะุษย์เนาะมันก็อยู่อย่างนี้ไนะทีิเ ด, ดจิตของเราก็ลงไปตั้งยกขึ้นมาพิจารณามาก็ได้ ก, ก็พรจิตมันอยู่แล้วนะถ้าจิตของเราไม่มีความสงบก็ลองลดิสียงลองเอาไก่มาพิจรารณาเสียมันจะได้แต่กี่นาที เรื่องของกายากตาสตนะิสติที่ตั้งไว้ในกายกนะ็อลองดูสิเราจะตั้งไปได้กี่นาทีเราจะกําหนดไปได้กี่นาทีเราจะพิจารณาไปได้กี่นาทีมันไปไม่ได้นะได้หรอกมันได้ชั่วข่าว นั่นแหละเราจะยกเอาธรรมะที่มาพิจารณานะ่ะมันยกเอาธรรมะมาพิจารณาไม่ได้ถ้าขาดความสงบแล้วแต่เราเอามาพิจารณาเพื่อ <c oughs> เป็นหลักของการปฏิบัติงามันเป็นของจินสติประสานสีเนะี่ยเราก็ยกเข้ามามาเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติธรรม มันก็ได้โย่เผื่อเราจะดำเนินจิตเพื่อให้เกิดความสงบมันได้แต่เราจะเอาให้มันเป็นได้ผลจริงๆได้มรรคได้ผลจริงๆ น, น่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะขาดความสงบถ้ามีความสงบเท่านั้นแหละ ยกอะไรมาพิจารณาก็ยกไปสิจ้าผมมาพิจารณามาก็พิจารณาได้ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอในกระดูกตับหรือไตไส้ภูงอาหารใหม่อาหารเก่ามันได้หมดเลย พิจารณาในอาการสามเสี้ยวมันก็ได้หมดถ้ามันถ้ามันอยู่ให้ปิดตังน้ําดีเสยมหังน้ำเสเลตผมโปน้ำเหลืองโลหิตจังน้ำเลือดเสถโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันพ้นมันก็พิจารณาได้หมดใ น, ในกายยาพตาสติพิจารณาเรื่องกาย <c oughs> ถ้ามันมีความสงบเหรอมันยกขึ้นมาได้หรอถ้าไม่มีความสงบมันได้หรอตัอวเขาเราจะเอาจริงๆจังๆเพื่อจะให้มันเป็นธรรมะเพื่อจะเกิดมรรเกิดผลจริงๆเพื่อจะดำเนินเข้าไปสู่โลกุตร ะ, ะมันไปได้ ย, ยาก ได้แค่ความเป็นอยู่ว่ามันเป็นธรรมะได้อยู่ว่าพิจารณาธรรมะก็พิจารณาได้ก็ถือว่าได้ได้ธรรมะการพิจารณาชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะเอาความแน่นอนเพื่อจะให้มันเกิดมรรคเกิดผลเพื่อจะให้มันบรรลุเป้าหมายเข้าไปสู่อ ง, องค์มรรคองค์ผล คือเข้าไปสู่โลกุตระสมาธิมันยากเพราะมันขาดความสงบแล้วปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดยากเป็นแต่เพียงว่าปัญญาความคิดเดียวกินจากมยญญายะปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดเท่านั้น แต่ปัญญาที่ว่าเป็นวิปัสนาจริงๆน่ะคือปัญญาอันรู้แก้งแก้งจริงๆในจิตในใจน่นมันเป็นไปในยามก็เพราะขาดความสงบเพราะฉะนั้นความสงบนั้นเป็นปัจจัยของเราชาวพุทธผู้ที่จะดำเนินออกจากความดับทุกข์ นี่เราชาวพุทธเนาะเราทํายังไงล่ะจึงจะให้เหมาะสมกับเราเป็นพุทธความสงบมันอยู่ตรงไหนสมกับเราเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธตั้งแต่ชื่อ แต่ความสงบของใจอันเป็นพุทธแทนะ้่มันอยู่ตรงไหนเราพิจารณาให้ดีนะคุณธบริษัททั้งหลายทำยังไงละมันจะได้สงบละให้ทำไปเถอะ่ะก็บางอย่างก็้อที่มันจะต่อเนื่องกันมันต่อเนื่องกันบ้าง บางทีมันก็ขาดช่วงถ้าขาดช่วงอะมันก็ยังว่านนะก็าจะมารวมตัวได้มันไม่ได้ต่อกันวันนี้ก็ได้ทำพรุ่งนี้ก็ได้ทำเมื่อวานก็ได้ทำแต่ ว, ว่าทาเรียงวันไปนะลองดูสิไปประมาณสาักอาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นยังไงเอาเวลามันว่างนะ่ะ แต่กระโดดมากมันก็มากต็ดตัวขี้เกียจเลยนะมันมากมันมันมันมาก่อนนะตัวขี้เกียจเนี่ยมันทําลายใจแท้นะเห็นโทษของมันไปแท้นะโทษของบอลขี้เกียจมันโทษหนักจริงๆนะมันถ่วงเราจริงๆมันกลัวเราจะได้ดีจริงๆไอ้ตัวขี้เกียจ เราจะนั่งทำความดีเท่านั้นจะนั่งภาวนาเท่านั้นมันบอกแล้วอย่าไปทำเถอะทำแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมันก็เหน่วยมันก็ว่าไปแล้วเราวันหาเครื่องอ่างที่นี่มันไม่ได้ติดต่อกันรดชาติของความสงบอันที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทำติดต่อกันมันอยู่ตรงไห น, น ให้เราทำลองดูสิทีนี้เราจะนานๆนจะมาสักทีหนึ่งทีนี้เราจะมาคุมจิตคุมให้มันอยู่กับความเห็นของตัวเองหรือความต้องการของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นไปตามความคิดของตัวเองหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นไปตามความคิดนะ มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเรานะมันยากนะนอกจากว่าผู้ที่มีอุปนิสัยจริงๆผู้มีอุปนิสัยจริงๆก็หาได้ว่าให้ฟังข้างเดียวพาทำข้างเดียวแล้วได้ก็ได้ไปเลยอย่างนี้ตัวมี พูดให้ฟังข้างเดียวแล้วก็ไปทําทําแล้วก็ได้ได้แล้วก็รายงานตัวมาอย่างนี้ก็มีนี่ผู้มีอุปนิสัยผู้ที่มีโอปนิสัยแบบต่ตอเ น, นื่องมันก็มีบางคนก็ทําไปเป็นหลายเดือนน้องค่อยได้ผลอย่างนี้ก็มีแล้วแต่อุโอปนิสัยเนี่ยเนื่องบุญญาบารมีเก่าของเราบัาง่ง แต่เราก็คควรที่จะกระทําที่ทําให้มันมีความสงบเสียก่อนละเบื้องต้นเอาความสงบเสียก่อนนะจะผิดหรือถูกควา้าในความสงบจะเป็นจะตายควา้าในความสงบเถอดี๋ยวมันจะเกิดความมุ่นมันดีกว่าความมุ่นไหว เพราะความสงบนั้นนะ่ะมันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสุขทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติอันยอดแห่งเราทั้งหลายก็คือความสงบเพราะความสงบนั้นจึงเป็นของที่คนทำ เถอโลกเราก็ทำปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเราก็ทำทำทั้งสองเพราะเรามองอยู่กับโลกพอหมดภาระแล้วเราจงค่อยตั้งหน้าตั้งตาเถอะ สู้เอาอย่างเดียวสู้เพื่อตายไม่ไดสู้เพื่ออะไรเนาะสู้เพื่อตายเพอผลสุดท้ายมันก็ต้องต า, ายไม่ว่าหนีตายที่ไหนได้แล้วปฏิบัติดีคิดว่าตัวเองจะไม่ตายหรอกปฏิบัติดีมันก็ตายปฏิบัติดีก็เพื่อตายเนาะ มันจะตายมามันก็พอจะได้มีความสุขบ้างความหมายนั้นไปอย่างนั้นแล้วการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าจะเอาชนะความตายนะเอาชนะมันไม่ได้หรอกแม้แต่พระพุทธเจ้ามาจัดสรูรว่บกี่พระองค์มาแล้วนั่มีท่านองค์ใดบ้างสามารถที่จะมาทําลายความตายไม่ให้มีแก่มนุษย์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีนะแม้แต่พระองค์เองท่านก็ยังปฏินิพพานปฏินิพพานก็คืออะไรก็คือตายพระตกลงก็ตาย น, ะนะนั่นแล้ะเราปฏิบัติเพื่ออะไรนะเพื่อตายนั่นะก่อนที่ยังไม่ตายเนี่เรียกว่าอาศณะกระกรรม อุปิระกักรรมสรรก็กรรมก็คือกรรมเติมเตียนควรจะหมดควรจะอับคือมันใกล้เข้าไปแล้วนะอุปิระ ก, ะกร็กรรมกัมบีบคั้นโอ้มันไม่ใช่ของง่ายนะคนเราจะตายไม่ใช่ว่าจะตายแบบ ง, ง่าย พูดสาเหตุที่มันสายเห็นไหมล่ะเราไปโรงพยาบาลสายเลยโยงเลยยังยัดเข้าไปในรูจมูกยัดเข้าไปในลำคอเจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ให้ออกซเิเจนสาพัดแล้วแต่เขาจะทำ ผู้นั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่นอนแสดงตนอึกอักอึกอักอยู่ในตัวเท่านั้นนะเองเจ็บจะปวดอย่างไรเขาเขาไมาได้สนนะบอกเขาทำที่ก่อนที่เราจะสิ้นเนะี่ยสิ้นลมนะบางทีก็ทรมานเป็นเดืนเดือนบางคนก็ไปตั้งหลายเดือนอย่างนี้มันก็มีนะ เื่อเราเป็นอย่างนั้นเหรอลองดูสิก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่นี่เรื่อมันเป็นอย่างนี้นะเราจะไปเผื่ออันนั้นละ่ะต่อสู้กับเหตุการณ์อันนั้นะนะผลสุดท้ายล่ะวันนี้จะไปไม่ได้ยังล่ะ ก็ไฟนะั่นจัดการให้เรียบร้อยคนะ ง, งเหลือแต่กระดูดกดแต่เมื่อเวลาเรายัางดีอยู่อย่างนี้ไฟมาเข้ามาใกล้ไม่ได้เวลามันหมดลมนะเจ้าของผู้ที่เป็นเจ้าของอยู่หนีใน่ ะ, ะไฟไม่ได้อย่างสบายคิดกลัวไหมละ่ะ คิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นจึงต้องการให้เราชาวพุทธทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของพุทธให้เหมาะสมกับความเป็นพุทธหาความสงบกันให้แก่ตัวเองกันเถอะบ้าธรรมะน่ะมันรู้อยู่หรอกใครจะไม่รู้รอ่ะศึกษาเราก็ศึกษามาแล้วนะมันรู้กันแล้ว มันยังเหลืออยู่อันเดียวคือความสงบใจะคือจิตอันสงบหรือใจอันสงบเน่ะมันเหลืออันเดียวเนี่ยให้มันสงบไปดูซิมันจะเป็นยังไงมันสงบไปเถอะอย่าไปัวมันเถอะไอ้มันสงบไปจนตลอดจนถึงวันตายเนี่ยนะหรือสงบจนถึงพระพันิชยานอนเนี่ยเมื่อสงบแค่นี้ก็อย่าว่าสงบเถอะพระพนิชยานเมื่อไหร่นั่นเราหมดกันเมื่อนั้นน่ะ น่นให้เราคิดอย่างนั้นเรื่องของความสงบอย่าไปเอาเฉพาะช่วงระยะหนึ่งแล้วจะให้มันเกิดประสิทธิภาพอะไรเกิดขึ้นในตัวเองมันก็เป็นไปได้ยากเยผลงานของการกระทำนะมันจะเป็นยังไงเราก็ค่อยพิจารณาเอาสินี่นะ เราท่านทั้งหลายเนะี่ยจงได้กาหนดไปจดจํานําเอาไปพินิจพิจารณาดันานะางที่ได้กล่าวมาให้ฟังนี่แหละในเรื่องของจิตไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอะไรแนละ้วเรื่องจิตอย่างเดียวแนละ้วเพราะมันเราหาอันเดียวนะเมื่อได้ความจริงแก้งโดยพฤตการอย่างใดแล้วนะ่ะ ขอจงนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติดีแล้วขอจงได้ตามสมความมุ่ง ม, มา่นศาสนาของตนดังที่ได้พันรนามาก็สมควรแก่กะละเวลาเอวังพอมีด้วยเอกาลัสนี